ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลงประพุทิยานกำลังนำเสนอสมากรรตะคือการทำการงานชอบหรือว่าการประพฤติชอบได้แก่การวดเว้นจากการประทุษร้ายชีวิตสวัตถิภาพของคนของสัตว์ทั้งหลาย คนนี้เป็นข้อปฏิบัติระดับศีลเราจะเรียกว่าศีลแศิกขามุ่งลดละความโลภ ก, กับความหลงเป็นหลักเพราะว่าการฆ่ากันส่วนใหญ่ก็จะฆ่าเพราะความโลภเกี่ยนการจับสัตว์การล่าสัตว์การรบกันในสงครามตลอดถึงการฆ่าในลักษณะอื่นส่วนใหญ่ก็จะมากไปด้วยความโลภ จ่ตรงการได้ผลประโยชน์ต่างๆมาครอบครองในข้อปฏิบัติในชั้นศีลที่มีปัญหาก็คือความไม่สมบูรณ์ในแต่ละขอ้อเพราะเวลาพูดถึงศีลผู้เจ้าจะรับสั่งถึงศีลที่พระเริเจ้าชอบใจก็อพอใจยินดีเพราะว่าท่านประพฤติปฏิบัติไปได้อย่างนั้นโดยทรงจในลักษณะไว้เป็น แปประการดกันแปลการแวกก็คืออาคารดะีิแเรวไม่ขาดปียาที่ขาดศีลเช่นสิงขอปนาธิบาตอย่างที่กล่าวไว้ในวันกอน่อนว่าการที่จะเป็นปานาธิบาตได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งสัตว์นั้นมีชีวิตสองเรารู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตสามเราตั้งจิตคิดจะฆ่า ซีต้องใช้ความพยายามในการฆ่าและห้าสัตว์นั้นตายด้วยความพยายามนึ่งซึ่งในชั้นนี้บางคราวบางคราวมันก็มีปัญหาอย่างเช่นการสั่งประหารคนหรือการฆ่าคนในส่วนที่เป็นราชการในส่วนที่เป็นกฎหมายของบ้านเมืองอย่างประมหากษัตริย์บางพระองค์ที่ทั้งข้าวประเทศไทยนีย่ก็องศีล แต่โดยตําแหน่งของพระองค์ก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เจนสมมติว่าก็เสนอโทษประหารมาเพื่อลงพระประมาพิไทยก็จะทรงใช้คําในลักษณะที่ยังไงยังไงมันก็ไม่ตรงเจนว่าให้ประหารเวลานั้นเท่านั้นเวลาเท่านั้นตอนนั้นนาทีเท่านั้นไิ่นาทีาทอย่างเงี้ย คือไม่ส่งตามนั้นก็ถือว่าแต่ความพยายามันไม่ได้ปั่นลูเ ป, ป้าวตามที่ท่านสั่งจะเป็นอุบายดีทีที่จะทำจิตใจให้มันสบายคือไม่ต้องไปรับผิดชอบหนักเกินไปแต่ว่าโดยภาระหน้าที่จำเป็นจะต้องทำแต่ดีที่สุดก็คือว่า จะต้องรดเว้นการทำลายการเบียดเบียนการประทุษร้ายการทรมานการโทรกรรมทุชนิดพอจะไม่งั้นศีลก็ต้องบอกพร่องไปในะอย่างใดอย่างหดึ่งประการต่อไปศีลไม่ถึงก็ขาดแต่ท่านว่าใช้กับมทะลุเราดูแล้วคล้ายๆกับเป็นผ้าพื้นหนึ่งคือทำอยังไงว่าผ้าพื้นนั้นจะสะอาดได้แต่ทะลุมันก็มีปัญหาคือลดค่าของผ้าพื้นนั้นลงไป น่าจะเป็นผ้าใหม่แต่ถ้าทะลุคุณข้างก็ต้องลดตามลงไปทีนี้คำว่าทะลุคือตั้งใจล่วงศีลและทำลงแต่ไม่พร้อมวยองค์เช่นสมมติว่าตั้งใจจะฆ่าสัตว์มีนกเป็นต้นเนี่ยหรือว่าตบยุงก็ได้นะฮะแล้วก็ยิดปืนเล็งยิงหมายจะให้ตาย แต่ไม่ถูกหรือถูกที่ไม่สำคัญหรือว่าตบยุงเนี่ยตบจริงนะฮะเจตนาจะตบจริงๆแต่ว่าตบไม่ถูกหรือว่าถูกปีขาดไปั้งนิดหนึ่งมันไม่ถึงกะตายด้านี้ก็ถือว่าเป็นศีลที่ทะลุการพิสูจนจะไม่ทะลุ ก, ก็คือการไม่ทำในลักษณะอย่างนั้นเราลองสังเกตว่า เรายิงเรายิงนกด้วยธนูเรายิงนกด้วยปืนเนี่ยไอ้ตัวปีนมันก็เป็นเครื่องประหารที่ผู้มีศีลไม่ควรพบผ่าและการยกขึ้นลิงไอ้เลงเลงไปจะยิงนกเนี่ยก็แสดงว่าไม่เจตนาที่จะฆ่า จะฆ่าด้วยความโกรธหรือฆ่าด้วยความโลภส่วนใหญ่ก็ฆ่าด้วยความโลภคือต้องการจะเอานกมาเป็นอาหารเพราะสัตว์นั้นมีชีวิตเรารู้ว่าสัตว์มีชีวิตเราตั้งจิตคิดจะฆ่าทำความกพยายามจะฆ่าและสัตว์ไม่ตายด้วยความพยายามนั้นเพราะองค์มันก็มีแค่สีแต่สีก็รองลงมาจากสินขาดเพราะงั้นทั้งก็ถือว่าสีนี้ก็ทะลุไปแล้วเป็นศีลที่ไม่บริสุทธิ์ประการต่อไปก็ไอ้อสบละคือไม่ดัง่ง ไม่ไดันั้นหมายความว่าจิตนี่คิดจะร่วงละเมิดสีแต่ก็ไม่ได้กระทําลงไปมันนึกคิดเฉลียวใจขึ้นมาแล้วก็หยุดยั้งใจตัวเองไว้ได้นะครอาจถึงว่ามือตบยุงแต่ไม่ตกก็แสดงว่าสัตว์นั้นมีชีวิตเ ร, รู้ว่าสัตว์มีชีวิตเราตั้งจิตคิดจะฆ่าแต่ไม่ถึงก็พยายาม แล้วกษัตย์นั้นก็ไม่ตายทันก็คือว่าเป็นศีลที่มันด่างคือไม่เรียบร้อยราการต่อไปก็คือไม่พลอยสิ่งที่เรียกว่ารลอยเนี่ยคือไม่ได้มีความตั้งใจอะไรเช่นสมมติเรา น, นั่งเราก็หยิบก้อนหินปลาลงไปข้างล่างแล้วไปถูกสัตว์ ไม่ถึงก็ตายแล้วเราจะเห็นว่าสัตว์นั้นมีชีวิตจริงแต่เราไม่รู้ว่ามันมีชีวิตคือเราไม่รู้ว่าสัตว์อยู่ตรงนั้นเราก็ไม่มีความพยายามจะฆ่าแล้วก็สัตว์นั้นก็ไม่ตายแต่ว่าก็บาเดเจ็บไปก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะไม่ครหรือแม้แต่การเล่นกั น, นต่างๆของคนบางคนเช่นว่า กรเาของเงินตองของเพื่อนวางไว้แล้วก็ล้อเล่นเอาไปซ่อนเอาไว้นี่ยเรก็ถือว่าสีนั้นมีความพร้อยไปคือมันจางไปไม่เข้มข้นเหมือนเดิมที่สําคัญอย่างยิ่งคือการรักษาสีนเนี่ยมันต้องเกิดจากจิตสานึกของเราเองก็เรามองเห็นโทษของการแล้วเมื่อสีมองเห็นคุณค่าของการรักษาสีด้วยจิตของเราเอง แล้วก็สมาครฐานรักษาโดยไม่จําเป็นว่าใครจะต้องรู้หรือไม่รู้หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทําความดีความชั่วของคนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การรู้ของคนอื่นคือการรู้ของคนอื่นนั้นก็ทําให้คนอื่นยกย่องสรรเสริญแต่ถ้าเขายกย่องคือดุจ ม, มุทิตาก็เป็นบุญของเขาก็สรรเสริญดุจ ม, มุทิตาก็เป็นบุญของเขาก็ตําหนิ เราก็ตําหนิด้วยกุศลเจตนาก็เป็นบุญก็ของมันกันนะฮะแต่ว่าตําหนิด้วยวิทยาตําหนิตด้วยการแข่งดีตําหนิด้วยการอวดดีก็เป็นบาปเพราะว่าจิตใจมันก็ขุนไปการรักษาแบบรู้สึกเป็นไทยเนี่ยคือไม่มีใครบังคับบัญชาตรงกันข้ามกับการรักษาศีลที่เกิดขึ้นจากแรงผลักดันของตัณหาของมานะของอุปาทานทั้งหลาย ในสมัยโบราณเนี่ยท่านใช้แต่มา ก, การรักษาศีลนี้ดีแล้วก็รักษาการให้ทานนี้ดีแล้วก็ให้ไม่ได้ใส่ใจใครจะรู้จะเห็นใครจะเป็นสักขีพยานใครจะยกย่องหรือไม่ยกย่อ ง, ไ ม, ยยองไม่เกี่ยวอะไรเลยนะฮะแต่ว่าเราส่วนใหญ่แหละจะทําได้ยากเพราะว่าคนเรานอกจากไม่เคยเห็นโทษตัวเองแล้วก็ชอบปวดในสูตรของตัวเองคือจะมองเห็นโทษตัวเองไม่ค่อยชัดแล้วในขณะเดียวกันก็ชอบปวด แต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของคนอื่นเราก็นอกจากชอบเมนตาชอบเพ่งโทษยังวิษยาด้วยเพราะเวลามองจากคนอื่นเนี่ยหรือว่าเรามองคนอื่นเนี่ยเราจะเห็นว่าให้เกิดกุศลได้ยากถ้าหากว่าเราไม่มีพื้นฐานเมตตาหรือความรักต่อบคุคคลเหล่านั้นหรือศรัทธาต่อบคุคคลเหล่านั้น ย้ววันก่อนไปพิปลายที่พูทต้องมนมีท่านผู้หนึ่งพูดถึงท่านอาจารย์บัวนะฮะที่ท่นหาเงินมาช่วยชาติเนี่ยพูดไปในทํานองว่าเงินนั่นไม่ได้เอามาช่วยาศาสนาคือไม่ได้ช่วยโดยตรงนะฮะแต่ไปช่วยโดย อ, อ้อมเพราะว่าอยู่ในศูนย์กลางของชาติ ือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินมันก็ช่วยทุกส่วนนั่นแหละแต่ว่าคือพระทรรมขนาดนี้ยังมีคนดําหนินเนี่ยก็อย่างนึกว่าก็ก็แปลกเหมือนกันคือยังมองว่าทาะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นมาในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยยังไม่เคยมีพระหาเงินให้แกแผ่นดิน จะมีแต่แผ่นดินหาเงินถวายวัดตั้นหนึ่งนั่นก็ถือว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่แต่ว่าท่านก็เป็นศูนย์รวมในด้านจิตใจเฉยๆไม่ใช่ว่าท่านมีเงินมีทองเปตัวท่านเองก็แสดงว่าสามารถเป็นจุดที่แนวทางใจให้แก่พุทธศาสนิกชนในร่วมกันสียสละเผยศาตรบตันหนึ่งได้ก็เป็นเรื่องที่ควรแก่ยการโมทนาแต่ว่าคนส่วนหนึ่งก็ พูดยากเพราะว่าใจมันไม่อิสระมันมีปัญหามันมีมานะมันมีทิฐิครอบนําอยู่คือรักษาทําความดีแล้วก็อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้อนอะไรนี่นะมันก็เหมืนกับอะไรละ่ะเหมือนพระเทพรักษ์กับคนคนตัดฟืนนะฮะที่เล่าถึงคดตัดฟืนคนหนึ่ง แปตัดขวัญอย่าดื่มฐานน้าแล้วก็ขวานมันหล่นลงไปในกระแสน้ําที่ลึกตัวเองว่าน้ําไม่เป็นแล้วก็บวงสว ง, งอบอลบอลขอให้เทพ ร, รักษ์มาช่วยงมขวานให้เทพ ร, รักษ์ก็งงขวานทองมาให้แกไม่เอาขวานเงินมาให้แกก็ไม่เอาแล้วก็พองงผ่านมาแกมาให้แกก็เอาเทพ ร, รักษ์เขียนว่าเป็นคนซื่อสัตย์ดีก็เลยให้รางวัลทั้งขวานเปล่งขวานทองแล้วขวานเหล็ก คนหนึ่งทราบ ข, าข่าวเข้าก็ไป ท, ทันทีอย่างนั้น ท, ทันทีตัดคืนแล้วก็แท้งไอ้ขวานมันหล่นลงไปแล้วก็ใช้กรรมวิธีเดิมแต่พอเทวดางมขวานทองมาให้ตอนนั้นเดงไปพุกเลยก็แสดงให้เห็นดิงว่ามันทําไปด้วยตัณหาไม่ได้ทําไปด้วยฐานะหน้าที่อาชีพอะไรที่ควรแก่การกระทาเทวดาเลยไม่ลงไม่ ง, งมให้แล้วก็ขวานทองก็ไม่ให้ด้วย หังกากรักษาศีลส่วนหนึ่งเนี่ยบางทีมันเป็นเ ส, ส, สียแ้งเป็นมายาเป็นอ้วอวดเต่นมาตามปกติแล้วก็มีริยบทอย่างหนึ่งแต่ว่าพอเห็นคนมาแล้วก็ทำจริงๆเรียบร้อยแสดงกิริยาอาการที่น่ายกกล้องสริอนั่นก็แสดงให้ว่านั้นก็ถูกตั้นหาครอบงำใจอยู่เป็นการรักษาโดยตั้นหาทีนี้ ถ้าถ้าอย่างนี้ถ้าเขายกย่องมันก็อยากได้ยกว่องเรื่อยไปแต่เขาตัณห์ดจะเกิดโทสะผลทุดท้ายนี่เราจะเห็นบามันเกิ่มเกลียดด้วยกันมันกรมีที่เขายกย่องเราก็เพิ่มโลภในคํายกย่องในกรณีที่เขาตัณห์เราก็เพิ่มโทสะในคําตรงนี้ผลท้ายมันไม่ได้อะไร จิตใจจะไม่ปกติจิตใจจะเราร้อนประถูกแผดเผาด้วยแรงของกิเลสประการต่อไปพระเรียกวิวนยูประสัถะคือท่านผู้รู้สรรเสริญรับรองว่าจะได้ที่าศาสนาพุทธยังจะให้ความสำคัญแก่วินยูชนคือคนดีถ้าคนดีท่านตำหนิก็ต้องฟังโดยความเคารพถ้าคนดีท่างยกย่องก็ต้องฟังโดยความเคารพ ในขณะเดียวกันท่านบังหนีเราก็ไม่โกรธท่านท่านยกย่องเราก็มองตัวเราตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่เหมิมเกินก็พยายามทันหน้าที่ของตนไปไม่ว่าเราเองไม่ได้ทำเพู่ต้องการในท่านยกย่องแต่ว่าการยกย่องเน่ยเป็นเรื่องของบัณฑิต เพระบัญญิตจะสร้างปัญญาเป็นเครื่องมือในการปิญพิจารณาแล้วจะยกย่องจะตำหนิคนตามสมควรแก่การกระทําของเขาอย่างที่ทรงวางไว้เป็นหลักว่าสร้างปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วตําหนิคนที่ควรตําหนิเมื่อเขามีการกระทําที่ควรตําหนิสร้างปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้ว ยกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่อเขามีการกระทําที่ควรยกย่องให้ความเคารพนับถือแก่คนที่ควรแก่การเคารพนับถือเมื่อเขามีการกระทําที่ควรแก่การเคารพนับถือดูสังเกตว่าใ น, ร น, นกรณีเนี้ยทั้งสามกรณีเนี่ยกิเลสมันสงบแปลว่าเรามีเมตตาเรามีมุจิตาเรามีกรุณา เกิดขึ้นตามสมควรแก่ฐานะคือการกระทําของบุคคลตนนั้นก็แสดงว่าเขาทําควรตําหนิแต่ว่าเราก็ได้ผลจากการกระทำที่ควรตําหนิของเขาคือเราเกิดเมตตาสงสารเขาแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนให้สติเขาเพื่อป้องกันเขาไม่ประสบทุกประสบภยัยประสบอันตรายประสบโรคภยัยการเจ็บเป่วยนหรือ เ, เขาทําความดีแต่ว่า เขาทำความไม่ดีแต่ว่าเราก็ได้เียวกาทําดีทีนี้อีกแาบหนึ่งเขาเรียกว่าไม่ถูกมาหน้าที่จับต้องคือตามปกติแล้วคนเวลารักษาศีลเนี่ยถ้าเรารักษาไม่ดีเนี่ยเราจะเพ่งโทษคนเดียวแล้วก็ บางครังง้งมังคลาก็ยกตนข่มคนดิเราแข่งกว่าเราเก่งกว่าเราดีกว่าอะไรแต่อะไรเป็นมัไม่ได้อะไรขึ้นมานะการรักษาสีนุ่งงุ่งความสงบที่กายที่วาา่าใจจะต้องเกิดขึ้นด้วยกุศลแลเจตนาหมายความาใจเราก็ต้องสงบลงมาด้วยแต่หากว่าใจไม่สงบใจอย่างยกตนเทียมท่านอย่างดีเสมอท่านอย่างมีความถือร่างอย่างมีความถือดีเนี่ย หรือมีความถนงตนว่าตนรักษาศีนเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือคนเราเนี่ยไม่มีใครที่รักษาศีนได้สมบูรณ์นอกจากพระโสดาบันขึ้นไปนะครังื่อนไขในการผิดศีเนี่ยมันมีความละเมียดละวมงต้องควรจะสังเกตว่าศีนบางอย่างตรงเนี้ชาวบ้านทําเนี่ยไม่ผิดศีนะแต่พระทำผิดศีน จบมบูดวราชาวชาวบ้านเล่นกันตบบาตบไหลตบตบไหลตบหลังกันเนี่ยก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่ถ้าถ้าไปตบอย่างนั้นตบด้วยโทรศัพท์นะฮะหมายความว่าตบด้วยโทรศัพท์ถือว่าเป็นการผิดศีลแต่ถ้าชาวบ้านถ้าตบด้วยโทรศัพก็ผิดอนะฮะถ้าตบด้วยโทรศัพท์ก็ผิดแต่ชาวบ้านขนาดนี้มือเนี่ยศีลไม่ขาด แต่พระเนื้อมือเนี่ยต้องอาบัดเนื้อมือจะตีนะฮะเนื้อมือจะประทุษร้ายข่าเนี่ยก็ต้องอาบัดนั่นคือแสดงให้เห็นได้ว่ามันต้องปกติจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าใจมันต้องน้มน้อมข้าสมาธิที่ส่งใช้กับมาสมาธิสังวรตนิกะที่ปัญหาความขัดแย้งต่างๆในสังคมมนุษย์เนี่ยมันจะขัดแย้งกันเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนกับ ความคิดเห็นที่ไม่สงกันเพราะการที่เกิดเป็นความขัดแย้งอย่างนั้นเราดูสภาพจิตในจิตมันไม่สงบจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันขับแคลนจิตมันอิจาริษยากันเพราะถ้าจิตมนุษย์น้องก็หาสมาธิ นั่นก็จะมีความระมัดระวังคือดูที่ตัวเองแทนที่จะไปดูที่คนอื่นอย่าเพ่งโทษคนอื่นอย่าไปตีเสมอคนอื่นอย่ายกตนข่มคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่แต่จะมาดูที่ศีลศีลที่เรารักษาเนี่ยดูมันถูกศีลหรือเปล่าหรือผิดหรือเปล่าะคนในสมัยนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพ ทำลายสิทธิมนุษยชนกัดฟางสิทธิมนุษยชนริดรอนสิทธิมนุษยช น, ฤฤ น, ยชนอะไรก็แล้วแต่จะว่านะแต่ถ้าเรามองแนมะโดยสมมติว่านะฮะสมมติว่าเรามองโดยไม่ไปยึบโยงกับรราเป็นศาสนิกแต่มองถึงคุณค่าของชีวิตที่มันควรจะมีควรจะเป็นควรจะได้เนะี่ย แต่เหนว่าการสำรวจระวังในศีมันยุติปัญหาแล้วก็ป้องกันปัญหาเขาจัดปัญหาต่างๆไม่เกิดขึ้นป้องกันปัญหาที่ยังไม่เกิดแล้วขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วต้องบอกว่าการรักษาสีเนี่ยเมื่อจะทําหรือจะพูดอะไรเนี่ยจะไม่ต้องทั้งสีเช่นสมมติ่บางครั้งเราจะกล่าวร้ายหรือจะดุ คนทักคนเลยเนี่ยก็ทําผิดทาําพลาดมันก็ดูว่ามันเป็นการด่าหรือเปล่าดูใจเรานะฮะดูใจเราว่าเราด่าหรือเปล่าเนี่ยหรือเราเป็นห่วงใหญ่เขาเราสงสารเขาเราให้สติตอเตือนเขาก็ทําตามก็ดีไปนะฮะเป็นดีของเขาก็ไม่ทําตามก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่านะเป็นเรื่องที่เขาจะต้องรับผิดชอบเราดูใจเห็นว่า เราไม่ได้มีเจตนาร้ายไม่ได้มีความมาฆ่าขยาบานก็แสดงว่าพูดได้อย่างที่เคยกตัวอย่างเรื่องตอนวาจานะฮะที่ว่านั่นก็ดูว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงไหมเป็นธรรมไหมแล้วก็เป็นประโยชน์ไห ม, มก็ดูสามอย่างคนฟังละ่ะก็ฟังชอบหรือไม่ชอบบางทีอาจจะไม่ชอบบางทีอาจจะชอบแต่ว่ดูการรับสารเป็นคร า, าวแล้วยังที่จะต้องพูดเรื่องหลังนี้ออกไป มันก็เห็นชอบประการละเทศะมันถึงคราวบางทีเวลามันให้สถานที่ไม่ให้ก็ต้องรอสถานที่จะหน่อยนะบางทีสถานที่มันให้แต่เวลามันยังไม่อำนวยก็รอเวลาหน่อยเวลากับสถานทีม่มีความสัมพันธ์กันแล้วก็รู้กาลารู้เวลาที่ควรจะผูกบวกาชะ น, นั่นออกไป ท่านจึงบอกว่ามันรักษาสีในลักษณะนี้มันเหมือนโคลูกอ่อนเนี่ยแม้ตัวเองจะกินหญ้าเขี้ยวหญ้าไปแต่ว่าตาก็ชังเหลืองดูลูกอยู่ตลอดระยะเวลาเลยเพราะาการใช้ใจคอยสอดส่องสอดดูสีอยู่เป็นนิดเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยแต่จะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของเราเป็นสีนเองก็เรียกว่าสีรักษาเราแทนที่เราจะรักษาสีนเนี่ย แล้วก็มันกลายเป็นศีลานุสติเือการตั้งสติแล้วลึกถึงศีนของตนแล้วก็มองดูถึงความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์หรือบริสุทธิ์มากน้อยเพียงไหนเนี่ยเราก็แก้ไขกันไปเรื่อยๆไม่มีใครที่จะทำให้บริสุทธิ์หมดจดได้ตั้งแต่นอกจากประโสบอุดมขึ้นนะฮะประสบันดขึ้นไปแล้วสีก็จะบริสุทธิ์ไปโดยลาดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปโสดาบันเนี่ยประกันเฉพาะสีห่านะฮะไม่ใช่ประกันทุกศีประกันเฉพาะสีห่าพอบริสุทธิ์หมดจุแต่ว่ายังมีความดีอื่นที่จะต้องทําให้ดีขึ้นไปกว่านี้ไม่ใช่จะหยุดอยู่ในจุดแต่จุดหนึ่งเพราะว่าภูมิของจิตเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญภบชาติะกายนิพพานกายนิพพานกนาย น, นรกกายนรกอะไรก็ไดเนี่ยมันก็ดุที่ภูมิจิตของเรา และก็สีเนี่ยจะเป็นมรรควิธีที่จะนําคนไปสู่ความเจริญในด้านโภพสมบัติความสมบูรณ์ในด้านสวรรค์สมบัติแล้วก็ั้งความสงบในระดับนิพพานสมบัติซึ่งผลเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรเนี่ยขึ้นอยู่กับการประกอบกระทําของบุคคลเหล่านั้นเป็นประการสําคัญต้องฟังเท่งไห แต่ร่บทพิาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นกำ น, นี้ที่สุดนี้ขพความเจริญงอ ง, งามไปบุญในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี